ตรงนี้นะก็จะมีพิธีกรรมหรือว่าเทศกาลต่างๆนะสืบเนื่องกับพุทธศาสนาค่อนข้างต่อเนื่องจริงๆวันนี้เนี่ยแรมหนึ่งค่นีเขาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะในหลายท้องที่เ็าจะมีการตักบาตรเทโวเทโวนี่ก็ย่อ ม, มาจากเทโวโรหณนะก็หมายถึงการเสด็จจากเทโวโลก ของใครนะของพระพุทธเจ้าพระุธเจ้าได้ไปเข้าจะเป็นพรรษาที่เจ็ดมั้งก็ได้เสด็จสวัส์ชั้นดาวดึงเพื่อไปโปรดพระมารดานั้นนี่เป็นความเชื่อก็ไปแสดงธรรมนะที่เรียกว่าพิธรรมนะตลอดสามเดือนแล้วก็เมื่อออกพรรษานะก็เสด็จลงมาจากเทวโลกนะ ในหลายท้องที่เขาก็เนี่ยมีการตักบาตรเทวโวนะโดยพระบางจังหวัดเช่นอ่าอุทัยนี่ก็จัดเป็นงานใหญ่ทีเดียวให้พระลงมาจากเขานะแล้วก็ญาติโยมก็รอใส่บาตรนะเพื่อย้อนหลัลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะที่พระเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ทางบ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะที่ผู้หลงก็มีบ้างนะแต่ว่าจัดเอาวันออกพรรษ า, น, านี่แหละคือจัดสนะิบห้าค่ำทางพระอิสานนี่ประเพณีนี้นะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็หลายแห่งก็จัดไม่ตรงกันนะบางทีก็สิบห้าคำบางแห่งก็แลมหนึ่งคำนะ พู้เจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนะตามตำนานก็ว่าลงมาที่เมืองสังกัตสะสังกัตสานี่ชาวพุทธเราคงไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เราจะรู้จักสาวัถีรู้จักเวสาลีรู้จักพุทธคยานะราชครืนารันธา แต่ว่าน้อยคนนะจะได้ยินลึกกระดิกหูนะฮะคบว่าสังกัสะนะสังกสะนี่เป็นเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้เสด็จลงจากตาวดึงแล้วก็มาเรียกวพระบาทมามาแตะมนุษย์โลกมามาแตะโลกมนุษย์ในที่เมืองสังกัสะทัวันี้เนี่ยสังกัสรก็ยังมีชาวพุทธอยู่เยอะนะ ชาวพุทธิอินเดียมีกระจกจายส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่พึ่งมานับถือพุทธใหม่ก็คือพวกที่เป็นวันนัสูตหรือจันทานแล้วก็ทนกับความกดขี่บีบคั้นนะของศาสนาฮินดูไม่ได้เขาก็เลย มาสมาทานพุทธศาสนาอันนี้โดยการนำของดรเอมเปตกาเมื่อสัก 50-60 ปีที่แล้วศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนารนะปูพวกเราคงไม่รู้นะว่าชาวพุทธนอินเดียนี่มีเป็นล้านนะมีเป็นล้านบางแห่งบางที่อาจจะว่าถึง 20-30 ล้านด้วยนะมากกว่าประเทศ ลาวประเทศเมร น, นะรวมกันซะอีกนะหรือว่าอาจจะครึ่งประเทศของไทยเลยเพราะว่าอินเดียนี่เป็นประเทศที่ใหญ่โตโมโหลานมาก30ล้านนี่ถือว่าใหญ่นะของเราแต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ถึง 1% เอร์ซไม่ถึงส0ของของประชากรอินเดียแต่นี่เป็นพวกที่ มามีพื้นเพด้านเป็นพวกจันทานมาก่อนก็คือนับถือศาสนาฮินดูมาก่อนพวกนี้นะก็เป็นพวกหนึ่งแต่พวกที่นับถือเก่าแก่ น, ะนับถือกันมานานก็มีเข้าใจว่าสังกัสรนีก็เป็นพวกชาวพุทธที่นับถือมานานพวกเราเนี่ยใครที่ไปอินเดียไปสังเวชนิสถานเนี่ยถ้ามีเวลาก็น่าจะแวะเมืองสังกัะด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปกันหลายแห่งนะไปจนถึงในปานลุมพินีนะไปเวสาลีไปสาวัตถีไปราชครืไปพุทธคยาบางทีก็ไปถึงสารจิโนะโนนต่อไปถึงอรังกบัตแต่ว่าสังกษานี่ถูกมองข้ามไปคนที่นั่นเขาก็น้อยใจนะชาวพุทธที่นั่น เป็นชาวพุทธที่ถูกลืมนะอาตมาก็เคยพบกับชาวพุทธสังกัสร์เหมือนกันนะตอนนี้ก็น่ายินดีที่มีาชาวพุทธบางกลุ่มก็เริ่มไปช่วยอุปถรัรมภ์ทํานุบำรุงนะที่นันละเพราะว่าเขาอยากจนเขาขาดไปหมดเลยนะขาดครูบาอาจารย์ขาดตํรราก็มีอย่างทิสุนีนะธรรมนันทา นะท่านก็ไปช่วยสงเคราะห์ชาวพุทธที่นั่นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธไทยเราควรจะรู้นะเพราะว่าเราก็ไปอุดหนุนชาวพุทธในหลายที่มาแล้วบางทีเราก็ไปอุดหนุนชาวพุทธหรือวัดวาอารามประเทศอังกฤษนะอย่างวัดอมรบดีนี่ก็เรียกว่าตั้งหลักปักฐานได้กเพราะ ทุนสนับสนุนนะจากชาวพุทธในเมืองไทยโดยเพพาะสมัยที่หลวงพ่อปัญญายัางมีชีวิตยอยู่นี่ท่านก็หาทุนไปสนับสนุนสร้างอาคารเซนนาสนาที่วัดอมรวดีอ่ามากมายนะแต่ว่าคนอังกฤษนี่เขารวยอยู่แล้วนะคนอังกฤษเขารวยอยู่แล้วแต่ว่าคนอินเดียต่างหากที่เรียกว่าถูกปล่อยปลาละเลยมากถ้าชาวพุทธเราไป ท่สนับสนุนอุปถัมภ์นะไม่ว่าจะเป็นที่สังกษาก็ดีหรือว่าที่นากระปูก็ดีเนี่ยจะได้จะมีอนิสง์มากนะเพราะว่าถึงอย่างไรอินเดียก็เป็นเรียกว่าเป็นพุทธภูมินะหมายถึงว่าเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาถือกำเนิดแล้วก็จเจริญงอกงามแล้วก็เป็นต้นฐาน ร, กรกากเงาของพุทธศาสนาไทย จริงๆเนี่ยพุทธศาสนาไทายก็มีสืบต่อสายตรงไปที่ลังกานะไม่ใช่อิอนเดียของเรานี่สายตรงเราเนี่ยนะร่างเงาจริงๆเนี่ยคืออินเดียแต่ร่างเงาของเราจริงๆคือลังกาแต่ร่างเงาของลังกาคืออินเดียนะงั้นถ้าเกิดพวกเรานี่ไปช่วยกันสนับสนุนชาวพุทธที่นั่นนะอย่าไปลังเกียจว่าคนอินเดียแขงนี่เขาเอ่อ เป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่าหาชาวพุทธที่นั่นก็เรียกว่าน่ารักทีเดียวนะแล้วก็เขาก็มองชาวพุทธไทยด้วยความรู้สึกที่ดีเวลามีพระไทยมานะเขาก็ชื่นชมเขาก็ศรัทธาแห่แห่นกันไปฟังอยากจะมีพระไทยไปแสดงธรรมไปสอนธรรมแต่ว่าก็ไปกันน้อย ตอนนี้ชาวพุทธในในอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะที่นากระปูเนี่ยเขาได้รับกาอุดหนุนจากชาวพุทธญี่ปุน่นชาวพุทธเกาหลีรวมทั้งชาวพุทธในอังกฤษด้วยนะมีชาวพุทธอังกฤษนี่ไปปักหลักเรียกว่าอยู่ที่นั่นเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีกว่านั้นก็มีนะอันนี้ก็น่าสนับส น, นุนนี้เป็นด้านของชาวพุทธนะที่ เราไม่ควรมองข้ามจะไปมองแต่ชาวพุทธในใ น, ในยุโรปอเมริกาอย่างเดียวนะหรือชาวพุทธที่ประเทศที่เขาล่ํารวยลืมตาอาปากได้แล้วนะชาวพุทธในอินเดียนี่น่าสนใจมากหนึ่งน้อยนะแวะไปเยี่ยมนะสังกัสรานี่ควรจะเป็นจุดหนึ่งนะของการแวะไปสําหรับผู้ที่ไปสังเวชสถานเห็นมีจะมีคณะชาวพุทธไปจาริกทุตองกันจากเมืองไทยนะมีพระ จะอาจะมีที่นี่พาจากที่นี่ไปด้วยนะก็ลองแวะนะลองดูว่าจะแวะไปเยี่ยมสังกสัสะได้ไหมมันก็อยู่นอกเส้นทางสังเวชนสถานะแต่ว่าก็น่าไปแล้วก็เตรียมรับพร